นี่มาย้อนถึงทศตรัสสูตรของเราต่อไป น, นะในหน้าหน้าเท่าไหรแล้วหน้าห้าสิบสองในทศตรัสสูตรนี้ก็คือกล่าวถึงพระธรรมที่พออระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะคืออย่างในในสูตรเมื่อกี้นะโล ก, กัสูตรที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็เป็นการพูดถึงสูตรที่พระ อ, องค์เนี่ยทบทวนดูว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยทุกอย่างไง เมื่อพระ อ, องค์เนี่ยรับรู้หรือมีความเข้าใจในมวลทุกของสรรพสัตว์ทั้งหมดแล้วอะ่ะพระ อ, องค์ก็บอกว่ า, าวิธีที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกเหล่านั้นคืออะไรเนี่ยนะอันนั่นคือที่มาของคําสอนเพราะว่าคําสอนทุกทุกสูตรคาสอนทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นคําสอนที่มีรสเดียวใช่ไหมคือวิมุติรสนาออกซึ่งเอ่อนออกจากกองทุกเหล่านี้ ถ้าใครที่อ่านเทรคถามากๆจะเห็นว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิยานิกรธรรมจริงๆเนี่ยนะนิยานิกรธรรมอ่ะต้นิยานิกระทโถเนี่ยนะอันนี้เป็นอัตของอริยมรรคเนี่ยนะเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นสภาพที่นําออกจากทุกข์อั้นคําสอนของพระองค์ที่พระองค์สอนเนี่ยนาไปสู่อริยมรรคท่านอริยมรรคที่เป็นผลจากที่พระองค์สอนเนี่ยอันเนี้ยเป็นคําสอนที่ออกจากทุกข์จริงๆเพป็น การศึกษาและการปฏิบัติของเราทั้งหลายถ้าสิ่งนั้นเป็นความถูกต้องเชื่อว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้เป็นเจ้าของทั้งในส่วนอามิตรและในส่วนของธรรมะเนี่ยนะันั้นถ้าถ้าการศึกษาและการปฏิบัติของเราทั้งหลายเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งนั้นขอให้รู้เธอว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ในทศตระสูตรข้อ455กล่าวถึงธรรมที่มีอุปการะมาก เลย น, นะหมวดเก้านะเพราหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดกล่าวไปหมดแล้วก็เหลือหมวดเก้าับหมวดสิบทีนี้มาดูหมวดเก้าว่าธรรมที่มีอุปการะมากท่านบอกว่าธรรมอันมีมูลมาแต่โยนิโสมานัสิการเนี่ยน ะ, นนะคือหมายความว่าถ้าโยนิโสมานัสิการแลว้วอะเป็นธรรมให้เกิดได้บรรลุธรรม น, นะนะธรรมที่มีมูลจากโยนิโสมานัสิการ ถ้าโยนิโสมนัิการนะถ้าเปรียบเทียบเป็นเป็นเป็นที่ดินอะโยนิโสมนัิการเหมือนกับที่ดินธรรมะเก้าที่เหลือเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนกับสร้างตึกเก้าชั้นเนี่ยนะแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีดินข้างล่างอะเป็นเป็นมูลนะมูลนี่แปลว่ารากแปลว่ารากที่รองรับอะตึกเก้าชั้นอยงนั้นแต่เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับตึกเก้าชั้นชั้นใดธรรมะอันมีโยนิโสมนัสการเป็นมูลก็ชั้นนั้น เมื่อกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายปราโมทย่อมเกิดนะคนที่โยนิโสมนสัสการถูกต้องท่านบอกว่าจะเกิดปีติปราโมทซึ่งอัตถกถาสุมังคละวิลาสนีอัตถกถาทีเคนิกายบอกว่าเมื่อทําไว้ในใจโดยไม่แยบคลายกุศลจะไม่ไม่เกิดไม่จํากล่าวถึงวิปัสสนาว่างั้นนะนะถ้าอายโยนิโสมนสัสการเกิดนะกุศลยังไม่เกิดเลยไม่จํากล่าวถึงวิปัสสนา ถ้าวิปัสนาไม่เกิดเนี่ยนะปราโมทมันจะมีมาจากไหนเนี่ยนะถากุศลไม่เกิดปีติปราโมทเกิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโยนิสงสนสิกาเนี่ยเป็นมูลแห่งความปราโมทเนี่ยนะปราโมทอ่ปราโมทย่อมเกิดแก่ผู้มีเออขอปปราโมทเนี่ยถ้าเกิดแล้วก็ทำให้เกิดปีติหรือปีติก็มีแก่ผู้ที่มีปราโมทนันอันนี้สองของปราโมททาให้เกิดปีติปราโมทนี่เป็นชื่อของ ปีติอย่างอ่อนปีติเป็นชื่อของปีติที่มีกำลังกายของผู้ประกอบไปด้วยปีติย่อมสงบกายในที่นี้หมายถึงนามกายกับรู ป, ปกายนามกายนะนามกายได้แก่เจตสิกนะกายปัสสัทธิกับจิตตปสัทธินั่นเองเพราะฉะนั้นปัสสัทธิก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกายเนี่ยนะกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิเนี่ยก็ย่อมเกิดแก่ผู้ที่มีปีติ นันปีตินี้ถือว่าเป็นอาหารที่สําคัญมากของปสัสสตินีปสัสสติเนี่ยเกิดได้เพราะอาศัยปีติส่วนผู้ที่มีปสัสสติย่อมได้เสวยสุขเลนี่สุขทั้งนามากายและก็รู ป, ปกายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตนี้เป็นสุขรู ป, ปกายที่มีจิตนั้นเป็นสมุทฐานก็ถึงความสุขไปด้วยเห็นไะหเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีความสุขกายและสุขใจ ผู้ที่มีจิตเป็นสุขอย่างนี้เออผู้ที่มีความสุขอย่างนี้จิตย่อมตั้งมั่นอ่าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงคําว่ารู้เห็นตา ม, ามเป็นจริงนี่หมายถึงรู้เห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือรู้เห็นอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงรู้ปัจจัยแห่งอุปาทานขันทั้งห้าตามความเป็นจริงเมือ่ออ่าแล้วก็ต่อไปอีกก็บอกว่า พิจารณาความไม่เที่ยงของอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงนนรู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงอันนี้ของสัพว่ายะถาภูตยานทัศนะอมยานะไว้สีข้อคือสังขารปริเฉดนามรูปปัจยะปริกหายานสัมมาสัญาณและอุทยพยายานี่มีปัญหาจเจริญถามนะครับที่อ่านเจอในพระไตรปิฎกบ่อยมากเลยนะครับว่า รกระดดคดีหรือว่าบัณชิตคดีที่ท่านเจริญพุทธานุสติหรือว่าพิจารณาถึงศีลพิจารณาถึงธรรมะนะครับจะเกิดปีติโดยเฉพาะผู้ที่เจริญพุทธานุสตินะครับบางท่านก็ได้ยินคําแม้กระทั่งคำพุทโทนะครับปีติทั้ง5ก็จะเกิดขึ้นก็คุณหมอไปเจริญพุทธานุสติมาคงปีติเกิดมา ก, ก น, นะครับก่อนบทนาด้วยแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็จะข่มปีติ ครับดูเหมือนว่าปีติเป็นสิ่งที่ควรเจริญแต่ว่าบางท่านพอพิจารณาถึงศีลพิจารณาถึงพุทธคุณแล้วก็ปีติเกิดแต่ว่าข่มปีติและเจริญวิปัสสนาเป็นยังไงกันครับอคือคําว่าข่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาไมา้มาแคือเอาอะไรมากดลงเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่มานัิการอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเช่นว่าปีติเกิดจากการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ไอาการไม่มนสิการถึงคุณต่อไปนั่นแหละเรียกว่าข่มปีติเออถ้าละลึกถึงศีลแล้วก่อให้เกิดปีติแล้วนะก็เลิกคิดถึงศีลแค่นั้นแหละก็เรียกข่มปีติและเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าไม้เนี่นะทามันง อ, งอกขึ้นมานะเราก็เด็ดยอดซนะแล้วเด็ดแล้วมันก็ไม่งอกอีกต่อไปฉันใดเนี่ยน ะ, ะถ้าผู้ที่ข่มปีติก็คือคนที่ปีติเกิดจากอารมณ์ใดก็ไม่เจริญอารมณ์นั้นต่อไป ไม่มนสิการอารมณ์นั้นต่อไปปีติก็ไม่เกิดถามว่าแล้วท่านมาคิดอะไรต่อก็คือมาคิดขันธาตุอายตนะต่อไปมาพิจารณาอริยสัจต่อไปนั่นเองคือเนี่ยที่เราวรู้เห็นตามเป็นจริงก็คือมารู้เห็นว่านี้สังขารนี้รูปนี้นามหรือว่านี้อุปาทานขันธาตนี้อายตนะนี้ธาตุนี้อินทรีย์นี้อริยสัจเนี่ยนะก็พิจารณาถึงเหตุถึงตัดใจของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัคนั่นนะ นั้นก็คำว่าข่มปีติก็แปลว่าเลิกคิดถึงสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดปีติทท่านั้นเองเออที น, นี้ทำไมปีติจะมีผลยังไงล้วครับว่าเหมือนกับว่าดูเหมือนให้เจริญเพราะว่าปีติก็เป็นาปัจแก่ความสงบใช่ไหมครับปัสสัทธิแต่ว่าเหมือนกับว่าต้นหลังนี้เหมือนกับว่าไม่ต้องการปีติแล้วคืออะไรในโลกนี่นะอะไรทำมากเกินไปก็ไม่ดี ปิติถามว่าเป็นความเอืบอิ่มเหมือนกับว่าทานอาหารเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมถ้าพูดธรรมดาทั่วๆไปอาหารควรไปทานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทานก็คู่ควรแค่อิ่มก็พออย่าเกินขนาดนั้นเลยเนี่ยนะพอแล้วเอาแค่อิ่มพอเอเมื่ออิ่มแล้วทำยังไงก็จะได้มีแรงเนี่ยนะจะได้เพื่อที่จะไปทํางาน เพราะว่ า, าจุดประสงค์ของการรับประทานก็คือเพื่อให้มีแรงก็ได้ไปทํางานชั้นใดผู้ที่เจริญกรรมฐานทั้งหลายเพื่อให้เกิดปีติเมื่อปีติมีกําลังแล้ว่ที่ภารกิจที่เหลือก็จะได้มาเจริญสมถะและวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ในประเด็นนี้เน้นที่วิปัสนานั่นเอง <c oughs> จะได้มาพิจารณาขันอายตนะภาพนี่นะผู้ที่รู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายผู้ที่เบื่อหนายย่อมคลายกําหนัดผู้ที่คลายกําหนัดจิตก็ หลุดทนเนี่ยนะพ่อรู้โดยชอบถ้าตามปฏิสัมพิธามัคธรมมะนานตายานิเทศเนี่ยนะข้อ182หน้า200เอ่อขอหน้ากล่าวถึงว่าธรรมะมีปรามโมทเป็นเบื้องต้นเก้าประการเนี่ยนะก็คือแสดงอัฏฐะเหมือนกันแต่คนละพยันชนะเนี่ยนะอย่างในทสุตรัสสูตรบอกว่าถ้าทำไว้ในใจโดยแยบคลายปรามโมทย่อมเกิด แต่ว่าในทัาสุตรัสุดยังไม่ได้บอกตรงๆใช่ไหว่าไปไปไปมณัิการอะไรมณัิการแปลว่าการสายใจหรือแปลว่าคิดถึงก็ได้อนนันไปคิดถึงอะไรจึงจะก่อให้เกิดปราโมทปฏิสัมพิทาบอกว่าเมื่อพระโยคาวจรมณัิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมเกิดปราโมทหรืออีกข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งร้อยแปดสิบสาบอกว่าเมื่อพระโยคาวจร มนสัสการโดยอุบายอันเย็บขายโดยความเป็นของไม่เที่ยงพรานถ้ากล่าวตามนิโยนิโสมนสัสการนี่นะก็คือยานวิญญาณเนี่ยนนะ มโนทวาราวชณะนเนี่ยนะที่ถ้าเป็นทั่วไปเรียกว่ามนสิการมนสิการนั้นเป็นชื่อของจิตที่เรียกว่ามาโนทวาราวชณะจิตเป็นจิตชาติกิริยาจิตชาติกิริยานี้เป็นวิญญาณจริยาเป็นเป็นความประพฤติของจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะและไม่มีโมหะในขณะนี้เลย ทีนี้ถ้าบุคคลที่มีอโยนิมสมานักการอันนี้ถ้าไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดสิ่งที่ติดตามมาก็คืออกุศลเนี่ยนะอกุศลสิบสองก็จะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกวิญญาณเออเข้าไปอัญญะเจริยาอัญอะตัวนั้นแปลว่าไม่มีปัญญาเนี่ยนะจริยาเอ่อก็ความประพฤตินะนะเป็นความประพฤติที่ไม่มีปัญญาเลยอะอกุศลทั้งสิบสองเนี่ย มันก็อยู่ที่การมานสิการใช่ไหมมนาสิการแล้วกุศลเกิดอีกในหนึ่งมานสิการแล้วกุศลเกิดเป็นญาณจริยาเพราะในขณะที่มานสิการตัวนี้มนสิการอะไรก็มนสิการโดยความเป็นของไม่มนสิกานเป็นทุกมนสิการโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะการมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความสําคัญมากจําเป็นมากถ้าไม่มนสิการก่อน ไม่ให้มโนทวาราวชนะเกิดก่อนอยู่ๆแล้วชาวนะมันจะเกิดมีปัญญาขึ้นมาเองได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิญญาณจริยาเนี่ยนะคือคือมนสิการเนี่ยนำหน้าซึ่งญานจริยาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจะเรียกว่ายโยนิสโสมนสิการก็ไม่ผิดเนี่ยนะก็คือเรียกว่ายโยนิสโสมนสิการนั่นเองไอ้มโนทวาราวัชนะทีนี้เมื่อมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยด้วยจิต อ่าที่เมื่อมนสิการด้วยจิตชาวนะก็จะปรารพถึงความไม่เที่ยงตามอาวัชนะด้วยเนี่ยนะทีนี้ถ้ามนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่ะชาวนะอันนี้อ่ะที่ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามมโนทวาราวัชนะก็จะทำให้เกิดอะไรปราโมทเนี่ยนะปราโมทก็จะเกิดผู้ที่เกิดปราโมททำให้เกิด นะปีติปสัสสัตธิสุขสมาธิยะถาภูตยานัศนะเป็นต้น ก, ก็จะเป็นไปโดยลำดับนี่นะหรือถ้าอีกในหนึ่งเนี่ยนะผู้ที่มนานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆชวณะเหล่านี้เนี่ยนะที่เรียกว่าญาณจริยาก็จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะเช่นเป็นไปเพื่อความเบอร์นายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนักเป็นต้น น, นะเพรา ะ, ะอยู่ที่การมนสิการ ก็คืออยู่ที่น้อมไปมนสิการถ้ามันน้อมไปมนสิการบ่อยๆชาวณก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดถ้าไม่น้อมไปมนสิการน่ะรอให้ปัญญาเกิดเองไม่ใช่คําสอนอยู่ที่มานสิการน้อมไปมานสิการเนี่ยนะเจริยาสามนี่สามประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรเอามาคิดให้มากเนี่ยนะคือวิญญาณเจริยาหมายถึงมโนทวาราวัชนะอัญญานเจริยาหมายถึงอกุศลแล้วก็ ญาณจริยาหมายถึงกุศลเพราะฉนนั้อยู่ชวนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนื่องจากวิญญาณจริยาเนื่องจากมณสิกานะนะแปลว่าอยู่ที่คิดนะอยู่ที่ว่าแล้วแต่เราจะน้อมไปคิดอน้อมไปคิดให้เป็นกุศลกุศลก็เกิดน้อมไปคิดให้เป็นอกุศลอกุศลก็เกิดเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างทพื้นฐานทั่วๆไปนะเอาเราทั้งหลายมาสู่ที่ประชุมอย่างนี้น้อมคิดให้ให้เมตตาเกิดก็ได้ใช่ไหม คิดยังไงเออนะก็ร่วมเรียกว่าเออดีนะทักทานทั้งหลายขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญนะขอให้งอกงามในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเข้าไปให้ในในสาตร์ทั้งหลายว่าอย่าเบียดเบียนอย่ามีเวรอย่าได้เดือดร้อนอย่าลําบากกายอย่าลําบากใจเลยให้มีความสุขกันทุกคนนะน้อมไปคิดอย่างนี้บ่อยๆถามว่าเมตตาเกิดบ่อยไหมคิดบ่อยๆธ้ามาหน้สิการบ่อยๆเนี่ยนะเมตตาก็จะเกิดบ่อยอาโยนิโสมันหสิการก็เกิดบ่อย แต่ถ้าหากว่าจะเจริญให้เกิดโทสะเนี่ยนะมานาสิการให้เกิดโทสะก็ไม่ได้ไอคนนี้ทําไมไปนั่งตรงนั้นไอคนนั้นทำไมไปนั่งตรงโน้นเนี่ยนะไอคนนั้นทำไมนั่งตัวเอียงจังมันน่าจะนั่งตรงตหน่อยนะก็ ค, คิดหาเรื่องคนไม่ค่อยยากเท่า ไ, ไหร่ใช่ไถ้าคนที่สะสมมาจนชํานาญเนี่ยนะคิดปั๊บมองเห็นในแง่ไม่ดีไอคนนั้นทำไมทําสีหน้าแบบนั้นเราไม่เคยชอบเลยสีหน้าแบบนั้นต้องทําแบบนี้สินะคิดไปคิดมาก็โทสะมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเลยนะ เพราะว่าอันนั้นอยู่ที่มนัสิกาลแล้วแต่จะน้อมไปไปคิดเนี่ยเพราะโยนิโสมนัสิการเนี่ยถือว่าเป็นมูลแห่งกุศลทั้งมวลเนี่ยถ้าหากว่าไม่น้อมไปโยนิโสมนัสิการน่นก็ยากเพราะโยนิโสมนัสิการพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยนะอุปการะมากต่อคุณธรรมชั้นสูงๆงต่อไปอยู่ที่มนสิกานั่นเอง ในทีนี้โยนิโสมนาสิการเนี่ยนะมีอะไรเป็นอาหารก็มีอาหารหน้าตัวมนาสิกานนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่ายู่ยแล้วใครอยากจะน้อมไปมนสิการก่อ น, น้อมไปได้ไง่ายๆไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรัทธาเนี่ยนะมีศรัทธานะจริงๆจะไปคิดอย่างนั้นได้คนมีศรัทธาก็เนื่องจากพหูสูตรเป็นอย่างมากเนื่องจากความเป็นพหูสูตรนั่นแหละทําให้เขามีศรัทธาเมื่อเขาเป็นพหูสูตรคือครบบัณฑิตเป็นต้นเนี่ยเขาก็มีมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็น้อมไปคิดอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆขึ้น ทีนี้ถ้าน้อมไปคิดด้วยกุศลมากอักกุศลก็ไม่เกิดถ้าน้อมไปคิดให้อักกุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิดเนี่ยก็เลือกทางะนะทางสองแพร่งอันนี้อยู่ที่การมานาสิกานั่นเองท่านโยนิโสมานาสิการนั้ น, น, น, น, น, น, นถือว่าอุปการะต่อกุศลทั้งปวงเนี่ยนะทีนี้ถามว่าสิ่งที่ควรมนาสิการันี่นะถ้าตามปฏิสัมพิธามมาั่กท่านก็ให้มนาสิการเป็นการมนาสิการที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลย นะอันนี้พูดนะสำหรับคนที่มีพื้นฐานความรู้เรื่องขันนยตนาธาต์ปัจจัยมาเป็นอย่างดีแล้วนะมรสิกาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเลยสมมุติว่าสีเนี่ยรูปายตนาศัทธ า, ายตนาสีมีกี่รูปมีกี่สมุธฐานเสียงมีมาจากกี่สมุธฐานกลิ่นมาจากกี่สมุธฐานรสมาจากกี่สมุธฐาน โพธภาพมาจากกี่สมุทฐานธรรมอารมณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ที่เหลือแต่ละอย่างมาจากกี่ปัจจัยมาจากกี่สมุทฐานเมื่อมีความเข้าใจอย่างนั้นเป็นอย่างดีก็น้อมไปมานาสิการถึงสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเพราะสิ่งนั้นในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดในอนาคตก็จกสิ้นในอนาคตสิ่งที่กําลังเป็นอยู่นี้ก็จกสิ้นในในสิ่งที่เป็นอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภายในก็จะสิ้นในภายในสิ่งที่เป็นภายนอกก็จกสิ้นในภายนอกสิ่งที่หยาบก็หมดในตอนหยาบนี่แหละสิ่งที่ละเอียดก็หมดในตอนละเอียดก็น้อะไปมนสิการในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณนี๊ไกลและใกล้อันผู้ที่มนณสิการแบบนี้บ่อยๆมากๆญานจริยาคือปัญญาก็จะบริบูรณ์เนี่ยนะ โดยเฉพาะอ น, นิจจาอนุปัสสนาก็จะบริบูรณ์ใช่ไหมถ้าผู้ที่มนสิกามโดยความเป็นของไม่เที่ยงผู้ที่น้อมานสิกามโดยความเป็นทุกข์มากทุกขานุปัสสน า, าก็บริบูรณ์ถ้ามนัสิกามโดยความเป็นอนัตตามากอนัตตานุปัสสน า, าก็บริบูรณ์ทีนี้ถ้าผูา้มนสิกามโดยความเป็นของไม่เที่ยงนิมิต จ, จะปรากฏเป็นของน่ากลัวถ้ามนสิกามโดยความเป็นทุกข์มากปวัตะ ปวตะแปลถือว่าความเป็นไปจะเป็นของที่น่ากลัวถ้ามนุิการโดยความเป็นอนัตตามากทั้งนิมิตคือสังขารนิมิตและปะวัตะความเป็นไปของสังขารก็จะเป็นของน่ากลัวทีนี้ถ้าสามประการ น, น่ากลัวทั้งนิมิตปวัตตะสรุปว่าความเป็นไปในชีวิตหรือชีวิตเป็นของน่ากลัวเนี่ยนะเมื่อเป็นของน่ากลัวสิ่งที่ตามมาก็คือความเบื่อหน่ายผู้ที่เบื่อหน่ายก็จะไม่กำหนัดในอุปาทานขันท่า นะผู้ที่ไม่กำหนัดก็ไม่ต้องการสร้างขันห้าใช่ไหมต้องการเห็นแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งขันห้าเมื่อผู้ที่รู้เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งขันหก็ต้องการสลัดคืนจากขันหน้อมไปสู่ธรรมชาติที่สงบระงับจากอุปาทานขันห้าทั้งมวลเพรายการน้อมจิตไปด้วยไปหาความสงบระงับจากสังขารทั้งมวลอันนั้นแหละเป็นความหลุดพ้นเนี่ยนะเป็นความหลุดพ้น มันก็อยู่ที่การมนสิการเพราะการมนสิการในเบื้องแรกนี้มีอุปการะมากต่อคุณธรรมชั้นสูงชั้นสูงต่อๆไปเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่น้อมไปมนสิการนะปล่อยให้มันแล้วแต่มันจะคิดอะไรก็ก็แล้วแต่มันจะคิดก็เหมือนกับว่าขึ้นรถเนี่ยนะมันจะขึ้นสายไหนก็จะยกรุงเทพด้ยชัดเลยนะขึ้นรถเมย์เนี่ยเนี่ยนะเห็นรถเมย์โบกทั้งตีเลยนะถามันจะไปลงไหนดีก็แล้วแต่สายนั้นมันจะพาไปไหนใช่ไหม เหมือนกันของเราถ้าแล้วแต่ความคิดมันจะเกิดสมมติว่อ้าวโทรสะมานะก็โทรไปกับโทรสะสักครึ่งชั่วโมงหรือสักสองชั่วโมง3ชั่วโมงหรือครึ่งวันไปเลยอย่างงี้ยอ่าพอราคามาก็ไปกับราคาอีกสักครึ่งวันเงนี้ยเสร็จแล้วก็โมหะมันก็ไปกับโมหะฟุ้งก็ไปกับฟุ้งเนี่ยว่าชีวิตอย่างนี้ถามว่าจะน่ากรุณาขนาดไหนเออครเรียนถามคุณเจ้านะครับมีคนกออ็กล่าวนะครับ ผมเองเคยกล่าวด้วยครับบอกว่าก็กิเลสเกิดก็ให้รู้ว่าเป็นกิเลสนะครับก็พิจารณากิเลสขณะนั้นไม่ได้หรือนะครับฟุ้งซ่านเกิดก็ให้รู้ว่ามันฟุง mm ้งซ่านอย่างนี้ครับอธิบายเง mm ี hmm. ้มนครับคือถ้าถ้ากล่าวตามนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าอะไรเกิดก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเนี่ยนะก็เหมือนเหมือนอะไรเหมือนก็เออไฟไหม้บ้านก็พิจารณาว่ามันกําลังถูกไหม้ไปนี่ยนะ ก็ประโยชน์ก็แทบไม่ได้อะไรมากมายนัเพราะในสติปทานเนี่ยนะสติปทานนิวรบัพระเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อกา ม, มาฉันทานิวรมีอยู่ณภายในก็รู้ชัดทำไมมันจึงมีเ น, นี่ยนะไอ้คำว่ารู้ชัดหรือว่ามีเนี่ยเพราะว่าเพราะมันเกิดบ่อยมากอะ่ะก็ประกาศถึงความเป็นคนราคะจริตเนี่ยนะว่ามันเกิดบ่อยอะ่ะนะเดี๋ยวพักมันเกิดอีกแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วเนี่ยนะ อันนี้เขารู้ชัดนะถ้าไม่มีอยู่ณนะภายในจิตก็รู้ชัดว่าทําไมมันจึงไม่มีเพราะช่วงนี้เราเจริญกุศลอะไรอยู่ไอ้อากุศลอันนั้นมันจึงไม่เกิดคือรู้ในความที่กุศลเป็นต้นที่ตัวเองเจริญอยู่หรื อ, อที่มันไม่เกิดเพราะเราข่มได้และอันนี้เรียกว่าเมื่อมันไม่มีก็รู้ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าเออหลับนี่ก็ไม่มีราคาเนี่ย น, นี่ไม่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าขณะหลับก็ขณะนั้นราคาไม่เกิด ทนี้ต่อไปว่าเมื่อราคาเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดสมมติถ้ามันจะเกิดนะมันจะเกิดได้ยังไงเพราะอะไรมันจึงเกิดก็รู้ชัด มันเหมือนกับว่าพูดอย่างอย่างของมาจะพูดเนี่ยเสียงที่ถ้ามันจะให้มันดังขึ้นเนี่ยมันดังได้อย่างไงก็รู้ชัดเหตุใช่ไหมก็คือไปเพิ่มวอลลุ่มเป็นต้นเนี่ยเสียงมันก็จะดังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นราคาก็เหมือนกันที่ยังมันยังไม่เกิดมันจะเกิดด้วยเหตุปัจจัยใดก็รู้ชัดสมุตฐานอันนี้เรียกว่ารู้สมุตฐานที่จะทําให้ราคาเกิดทีนี้ถ้าราคาที่ที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะจะ ก, กําจัดมันได้อย่างไงด้วยข้อปฏิบัติอะไร เนี่ยนะถ้าถ้ามันเกิดแล้วนะเหมือนเหมือนอย่างว่าถ้าไฟไหม้บ้านแล้วอะวิธีดับไฟเนี่ยมีกี่วิธีเนี่ยนะคือใช้วิธีไหนบ้างคงไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเดี๋ยวมันก็ดับเองอะนะหมดเชื้อเดี๋ยวมันก็ดับมันเองอะนะวอดแน่นะบ้านเนี่หมดทั้งหลังไปเลยทนะีนี้เข้าต่อไปถ้าดับได้จริงเนะี่ยดับที่ไหนเมื่อมีอะไรเป็นอารมณ์อะไปรอบรู้สิ่งใดน่ยนะจึงจะเรียกว่าเป็นการดับไอตัวราคะได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตามสติปฐานกล่าวว่าอย่างนั้นแล้วไม่ใช่หยุดอยู่เท่านั้นก็ยังมีเพิ่มอีกว่าพิจารณาอย่างนี้เป็นภายในบ้างพิจารณาอย่างนี้เป็นภายนอกบ้างพิจารณาอย่างนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาธรรมดาคือเหตุปัจจัยที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดบ้างพิจารณาว่าถ้าดับเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้ยังไงวัตถุคือกิเลสเหล่านั้นจะไม่เกิดแล้วก็ทั้งหมดเหล่านั้นในฐานะเป็นทุกขสัจกับสมุทัยสัจ เพราะฉะนั้นก็จุดประสงค์ไม่ได้ต้องการเจริญกิเลสแต่ทํายังไงคุณธรรมคือสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นมาไข้ครวรสิ่งเหล่านี้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อ น, นั้นเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะเราะตัวข้อปฏิบัติคือตัวที่ไปพิจรารณาไปเจริญไปไข่ครวรกาบนักการพระคุณเจ้าเจาค่ะเมื่อกี้พระคุณพระคุณเจ้ากล่าวว่าการที่จะมานสิการหัวข้อธรรมะก็ควรน้อมมานสิการกุศ ล, ลจิตจะเกิด แต่บางครั้งน้อมมนั ส, สิกานี่กุศลจิตไม่เกิดอกุศลจิตเกิดแทนเนี่ยเราควรจะสาธยายไปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะออลองยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างที่ที่กล่าวไปไหมก็อย่างเช่นเราเจเริญพระพุทธคุณนะคนะน้าเจ้าคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอไม่เกิดกุศลจิตเจ้าคะ่ะเกิดอกุศลจิตเราควรจะจะต้องสาธยายไปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ ก็การเจริญสุดพุทธคุณเนี่ยนะมันก็เจริญด้วยด้วยหลายๆทวารก็ได้ น, นะเจริญทวารกายทํำยังไงก็คือการกราบด้วยการระลึกเนี่ยนะระลึกถึงคุณแนละ้วเน้นไปที่การกราบการไหว้เป็นต้นเน่ยนะหรือการเดินเพื่อบูชาทําพุทธบูชาอันนั้นก็เป็นการเจริญพุทธคุณด้วยกายแต่หมายถึงกุศลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ไปกราบไปไหว้ไปเดินประทักษิณเป็นต้นเนี่ยนะในภาษาไทยเรานิยมเรียกว่าเดินเวียนเทียนน่ยนะ อันนี้อย่างหนึ่งถ้าเจริญด้วยวาจา ก, ก็คือสาธยายคือกล่าวถึงคุณนะนะเช่นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบไล่ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารว์ิที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าอันถ้าหากว่าเราน้อมจิตไปก็คือสาธยายแต่ถ้าในโอกาสบางแห่งบางจังหวะไม่เหมาะก็ปรารบแต่เฉพาะมโนทวารเนีนะ่ยก็เจริญด้วยทวารใช้ พัในสิ่งเหล่านี้เราสามารถจเจริญได้ทั้งสามทวารก็ดูทวารไหนเป็นที่สปายะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็ควรสังเวชใจยอย่างหนึ่งขนาดจเจริญพุทธคุณแล้วกุศลอย่างไม่เกิดเนี่ยนะแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือ ก, ก็ต้องมาทบทวนเราอ่ะนะมันเหมือนอะไรเหมือนกับว่าค้าขายอยู่ทุกวันแต่ทำไมหนี้มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ต้องมาทบทวนละเนี่ยนะ เราเรามีความรู้พุทธคุณน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันเกิดจากเหตุใดเนี่ยนะถ้าไมอากุศลจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะ ก, ก็ต้องมาม า, มาตรวจสอบเราเองเหมือนกันเพราะว่าปกติอริยสาวกทั้งหลายเมื่อท่านเจริญพุทธานุสติอยู่ราคะที่เกิดขึ้นแล้วจะระ ง, งับไปราคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดเนี่ยนะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะระ ง, งับไป โทษะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะระงับไปโมหะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะระงับไปนี่เพราะเพราะกะอะคุณของการเจริญกรรมฐานเหล่านี้ะนะแต่ถ้าแต่ถ้าจะพิจารณาให้ดีๆนะถ้าอกุศลมันเกิดขึ้นในขณะนั้นเรียกว่านิวรนนิวรนวรก็มีอาหารใช่ไหมนิวรนก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของนิวรนบอกว่าทุจริตสามเนี่ยแสดงว่า กายทุจริตวจิจีทุจริตมโนโทุจริต จ, จะต้องผิดพลาดมาอย่างใดอย่างหนึ่งทุจริตเหล่านั้นก็มีอาหารมาจากการไม่สำรวมอินทรีย์นะการไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารและอะไรเป็นอาหารของที่ไม่สำรวมเพราะขาดสติสัมปชัญญะที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารนะอาหารอันนั้นก็คือไม่มีโยนิสมานักสกการที่ไม่โยนิสมานักสกการก็มีอาหารเพราะเราไม่มีศรัทธา ที่ไม่มีศรัทธาก็มีอาหารอาหารของความไม่มีศรัทธาก็คือฟังมาไม่พอเรียนมาไม่ดีที่เรียนไม่ดีก็มีอาหารพราะเราเช่นถ่าพูดแบบจีบพระไตรปิฎกน้อยไปเนี่ยนะหรือว่าถ้าเป็นโบราณหน่อยก็เรียกว่าอาศัยกับครูบาอาจารย์เป็นหลักใช่ไหมสมัยนี้ก็คืออ่านพระไตรปิฎกน้อยไปอ่านพระไตรปิฎกน้อยไปเพราะอะไรก็มีอาหารเราก็มีไม่มีเวลาบ้าง ยังไม่พร้อมมากอ่ะนะั่นคือพวกอาหารเนี่ยนะอาหารที่ทำไม่ไม่ได้อานเนี่ยทนะัวันกันเถอะก็ไอสิ่งเหล่านั้นก็มีอาหารมาจากไหนก็มาจากเกิดนั่นแหะถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีปัจจัยเหล่านี้เราก็ฟังกันเพราะสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยดำเนินไปตามเหตุและและปัจจัยเพราะเราก็สาวหาเหตุหาปัจจัยของของสภาพธรรมนั้นนั่นแะเมื่อ น, นี้เรารู้แล้วก็จะได้ปรับปรุงให้ให้มันเหมาะสมเพราะว่าในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่มีอะไรเกินอริยมรรคอีกแล้วจะต้องปรุงเป็นอย่างมากอุปาทานขันห้าก็ปรุงแต่มันมันยังไงท่านบอกว่าปรุงแบบคนกําพระคือมันจะต้องอยู่ด้วยปัจจัยแต่อยู่ด้วยปัจจัยแบบคนกําพระอริยมรรคก็ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเกิดจากปัจจัยแต่แบบมหาเศรษฐีท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านถ้าผู้ที่เจริญอริยมรรคถ้าเห็นอริยมรรคเป็นอธิปไตยยโถเนี่ยจะเห็นชัดว่าโอ้ทุกขสัตว์เนี่ยมันเมียมัน พวกทุคตะเข็นใจทั้งนั้นแหละอุปาทานขำเนี่ยอริยมรรคเนี่ยจึงอธิปไตยอย่างแท้จริงนี่ใหญ่มากเนยนะใหญ่ไปด้วยอะไรใหญ่ไปด้วยสัตทินสีวิรินสีหรือใหญ่ไปด้วยโพธิปักคยธรรมทั้งหลายมีคุณธรรมที่เพียบพร้อมบริบูรณ์เนี่ยนะทั้งสองเนี่ยดำรงอยู่ด้วยปัจจัยทุกขสัตว์ก็อยู่ด้วยปัจจัยสมุนีรมรรคสัตว์ก็อยู่ด้วยปัจจัยแต่ว่ามันมันปัจจัยคนละเรื่อคนละราวคนเลยนะเพราะฉะนั้นในการเจริญอริยมรรคเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสรนเสริญความเพีย ในบรรณาโพที่ปักขยะธรรมสามสิบเจ็ดกล่าวความเพียรไว้เก้าเก้าไว้เก้าอย่างอะ่ะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยองธรรมอื่นยกไว้อันเดียวพูดไว้น้อยมากสตินี่ไว้แสดงไว้แปดปัญญาแสดงไว้ห้าสมาธิแสดงไว้สี่แต่ความเพียรเนี่ยแสดงไว้ตั้งเก้าเก้าคืออะไรบ้างสัมมบประธานสี่ก่อนเนี่ยนะอินซีวิริอินซีซพละเนี่ยนะโพชงมัค มีเกลียววิริยะเนี่ย ส, สันเสริญความเพียรมากแล้วพองก็บอกว่าที่พองบรรลุเนี่ยบรรลุได้ด้วยความเพียรเนี่ยนะบรรลุด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นไอ้ความภาคเพียรพยายามเนี่ยถามว่าของเราทั้งหลายถ้าเริ่มต้นเพียรยังไงพระองบอกว่าเพียรกําจัดอกุศลวิตกถ้ามันเกิดขึ้นเพียรกําจัดมันกุศลวิตกที่ยังไม่เกิดก็ต้องเพียรให้มันเกิดขึ้นเพราะใครไม่มีใครคิดซ้อนกันพร้อมกันสองครั้งหรู่แล้วนะคิดพร้อมกันนะถ้าไม่คิดกุศลก็คิด อกุศลเพราะฉะนั้นต้องเพียร น, นะความเคยชินที่เราคิดอกุศลก็ต้องเพียรที่จะไม่คิดให้มันเป็นอกุศลกุศลก็ต้องเพียรให้คิดให้เป็นกุศลให้มากมเพราะฉะนั้นอาศัยความเพียรพระองค์จึงรับรองด้วยอย่างว่านะวิริเยนะทุกขมัดเจติสัตย์จะร่วงพ้นจากทุกได้ด้วยด้วยความเพียรเนี่ยนะพระองค์ได้สันเสริญเรื่องความเพียรมากก็เลยเป็นนิยามลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาว่ า, ว, ว, า, ว, าวิริยะวาดวิริยะวัด วิริยะมาจากคําว่าความเพียรวาดวาทะตัวนั้นแปลว่าทิฏฐิเป็นผู้มีทิฏฐิหรือให้ความสําคัญกับความเพียรเนี่ยนะถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาไม่ให้ความสําคัญกับกวามเพียรแล้วก็ปล่อยไปตามกรรมใช่ไหมเลือนเนื่องด้วยพระผู้เป็นใหญ่นะพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นไม่ใช่เพราะนั่นจึงตรัสกรรมสมาทานไว้สีว่ากรรมดํามีวิบากดํากรรมเขามีวิบากเขา กรรมทั้งดำทั้งขาวให้วิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อให้วิบากที่ไม่ดำไม่ขาวอันนั่นแหละเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นพระองค์ให้ความสําคัญกับข้อที่สี่คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยนะก็เป็นการทํากรรมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการทํากรรมเพื่อความพ้นจากกรรมหรือเป็นไปเพื่อเพื่อสิ้นกรรมกรรมจะสิ้นเพราะอะไรสิ้น เพราะตันหาสิ้นตันหาจะสิ้นได้เพราะรอบรู้ในวัตถุเป็นที่อาศัยของตันหาทุกชนิดจน ต, ตันหาไม่อาศัยในวัตถุเหล่านั้นเกิดขึ้ น, น, นก็ได้เวลาฉันพอดี